ก็ไปวัดทำกันกลุ่มก็มีโอกาสทรรมัดเย็นวันนี้เป็นวันท้ายสุดแล้วตอนเย็นพวกนี้ก็ตอนเช้ามีโอกาสทรรมัดอีกครั้งนึงตอนเพ็นเพนก็กลับกันแล้วก็กล mm ่าวว่าเลิกกลุ่มพวกนี้ก็จะไปวัดภูเขาทองไปอยู่กับหลวงพ่อสักสองสมวัน เหมือนกันสลับสนนกันมีงานมีการวัดพี่วัดน้อง mm hmm. ก็ไปแสดงออกมือตาจิตหน่อยปวัดเงียบๆ mm hmm. ทีเนี้าจะคนน้อยพวกนี้กลุ่มก็กลับมาพบางส่วนก็ mm hmm. จะไปรวมกันที่นวนสมทบ mm hmm. ก็อยู่กันก็ทำพัดสนมันเหมือนเดิม คนเดียวธรรมะสวดมนต์วันนี้จะนิมอนต์อาจารย์สมใจพุทธธรรมะสู่ฟังเป็นส่วนประกอบมันก็เป็นเรื่องที่ฟังเอาเก็บเกี่ยวกัน เหนือความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบ เ, อเหตุนะผลเนื้อตู่นเนื้อผิดฟังลักษณะของสตปุหลุดกันไปอย่างนัน้นฟังให้มากครับวเพื่อที่จะน้อมเอามาทำและสิ่งที่ทำก็นได้เทียบเคียง <c oughs> เหตุอย่างนี้ มันจะให้ผลอย่างนี้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างนี้สุขทุกข์อย่างนี้ความไม่ทุกข์ความเป็นปกตินี้เกิดมาจากเหตุอย่างนี้ในรูปแผนที่ได้ลงมือทําเดินทางจริงๆมีประสบการณ์ตรงก็รู้ว่าเออตัวเราเป็นยังไงเดินถึงไหนตรงไหนมันติดมันขัด อ๋อนี่ได้ยินนำผ่านอย่างนี้จะได้ไปทำดูแยกซ้ายแยากขวาข้างหน้ามีโคง้งมีเนินมีภูเขามีหุบมีเหวจะได้ระมัดระวังหรือว่ากลับมาสู่เส้นทางหลังจากที่มันหลงเผลอไปออกนอกเส้นทางมันจะสะดวกเวลานี้ทำมานานแล้วหนึ่งปีสองปีสามปี ทรมาก็เดินทางมาได้ไกลแล้วก็เห็นเห็นร่องเห็นรอยเหมือนเหมือนกันแหละก็เลยเดี๋ยวพระรัตนนิมมานตันสมใจพูทธรรมะสู่ฟังสงเกรีแก่ทำแก่เวลาต่อไปกลับนิมนครกับก็กราบบูชาพระรัตนตรยัย ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนพระอาจารย์ทุกรูปท่านอาจารย์ยุกิท่านอาจารย์าารยสรงศิลป์แล้วก็เพื่อนอพิคุสมัมมณีผู้อาวุโสทุกท่านแล้วก็เจริญเจริญธรรมเจริญพร ทั้งแม่ชีแล้วก็ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติกันในช่วงเวลานี้ก็นั่งกันตามสบายนะครับ <c oughs> วันนี้ท่านอาจารย์ทรงเสินก็ให้โอกาสอาตมาหรือก็ผมได้มาพูดคุยกับพวกเร า, เาได้เห็นพวกเรามาร่วมกันใช้ชีวิต ที่วัดป่าสุกโตก็รู้สึกยินดีแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตเพราะเรื่องนี้ตัวกระผมเนี่ยตมาเองสนใจแล้วก็เรียนรู้มา เป็นเวลาถึงสามสิกว่าปีถ้านับตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่สมัยเป็นโยมสมัยที่ได้พบหลวงพ่อเทียนที่นนท บ, บุรีก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนได้สอนเนี่ยเป็นเป็ น, ปนการเรียนรู้ที่แปลกไปจากวิธีการฝึก แบบอื่นๆที่พบในประเทศไทยแต่ก่อนตัวกระผมเนื้ทธรรมายเองได้เรียนรู้การฝึกจิตแบบลมหายใจคืออนาปนสติเอที่มาสนใจแล้วก็มาศึกษาก็เพราะว่าเป็นความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้มีความทุกข์อะไรสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อประมาณปีสองพันห้อยสิบเก้าตอนนั้นบางคนอาจจะยังไม่เกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าเอพุทธศาสนามีอะไรความสุขเป็นอย่างไงก็ได้เรียนรู้การฝึกจิตแบบอนาปนาสติกับรุ่นพี่คนหนึ่งก็คือพี่สุภวัลกรีนปัจจุบันคือสุภวันกรีน แต่ก่อนคือเป็นรุนพี่อยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็ได้สัมผัสกับความความสุขนะก็คือความอิ่มอกอิ่มใจจากการนั่งทําความรู้สึกตัวกับลมหายใจโดยการนั่งหลับตาก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้สัมผัสกับความความสุขนะที่โหมอกอิ่มใจเป็นปิติ ที่เกิดขึ้นในในในชีวิตของตัวเองตั้งแต่นั้นก็เลยสนใจศึกษามาเรื่อยๆการฝึกอนาปนาสติใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกกับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็ทำให้เรามีความสุขในช่วงที่เรานั่งหลับตาแต่เมื่อออกมาก็ยังพบกับความไม่พอใจ ไม่สบายใจอยูนะ่ก็เป็นสิ่งที่ที่ยังยังไม่ไม่จุดใจนะยังไม่ไม่ถึงที่สุดของมันนะก็พยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่อมาเรื่อยๆนะไปกินมังสวิรัตกับสันติอโสกนะสมัยนั้นพ่อท่านก็เพิ่งจะเริ่มสร้างสันติอโสกใหม่ๆก็ ก็ได้ไปเรียนรู้การถือศีลเคร่งนะของสันตยโสกก็ยังยังมีความสงสัยอยู่ก็ยังมีความทุกข์อยูนะ่ตอนหลังก็ได้ได้ไปส่วนโมกนะไปเรียนรู้กัจจานุทธธัศนะ์ได้อ่านหนังสือของจารพุท ธ, ธัศนะก็ชื่นชมยินดีในสติปัญญาของท่านอย่างมากนะโดยเฉพาะเรื่องของธรรมะเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่อง ไก่ตัวไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเอาเอาเมื่อเราตายแล้วแต่ก่อนคิดว่าจะไปถึงนิพพานต้องตายแล้วนะซึ่งก็เป็นความเข้าใจของคนในในสังคมในประเทศไทยปัจจุบันก็ยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่จาย์พุทธทานเนี่ยเป็นคนที่เชื่อตรงประเด็นเลยว่าเรื่องของนิพพานเนี่ยเราสามารถพบได้ในชีวิต ชีวิตนี้ในปัจจุบันชาตินี้าการได้เรียนรู้จากอาจารย์พุทธทาสนั้นก็เป็นเพียงจดจำได้แล้วก็ยังทำอนาปนาสติอยูนะ่ก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่เรานั่งหลับตาหายใจเข้าหายใจออกมีสติแต่พอเรามาในใช้ชีวิตประจำวันก็ยังมีเรื่องมากระทบกระเทือนใจยังพอใจไม่พอใจอยู่นะก็สแสวงหาไป <c oughs> แต่โชคดีที่เรามีเพื่อนนะก็เป็นชมรมพุทธศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชวนกันไปที่นั้นที่นี่ประมาณปี2 5 2 0นะได้มีโอกาสไปที่วัดสนามใน20หรือ21เนี่ยได้ไปพบกับหลวงพระเทียนนะก็ไปเรียนรู้กับท่านตอนแรกๆ ก, ก็ฟังท่านไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าท่านพูดภาษาอีสานะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นอาจารย์โควิดเป็นคนแนะนา เราเป็นนักษาเราก็จะไปก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ไปเห็นวิธีการยกม้ ย, ยกมือก็ยังไม่เข้าใจว่าทำทาไปเพื่ออะไรทำไปทำไมแต่หลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเราทำเพื่อให้มีความรู้สึกตัวให้ให้เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรานั่งหลับตาเนี่ยมันสงบในขณะที่เรานั่งความรู้สึกตัวเนี่ย มันก็อาจจะเบาไปนะมันไม่ชัดนะถ้าเรามายกมายกมือเนี่ยมันชัดนะความรู้สึกตัวมันจะชัดตอนนั้นก็ฟังหลวงพ่อแล้วก็ลองทำนะก็ยังไม่เข้าใจอะไรยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ายังไม่เข้าใจแต่ก็เห็นเป็นวิธีการที่แปลกดีแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะก็พยายามที่จะฝึก แล้วก็เรียนรู้กับท่านมาเรื่อยๆออช่วงที่ได้รู้จักวิธีการนี้จริงๆแล้วก็ปฏิบัติจริงๆก็ประมาณปี2525ตอนนั้นทราบข่าวจากเพื่อนนะซึ่งเป็นเภสัชกรคนหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่พิจิตรเาบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อเทียนป่วยมากนะออท่านจะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนรู้อะไรให้รีบมาเรียนรู้ซะ นะปี2525ก็เลยตัดสินใจตอนนั้นไปทำงานอยู่ที่เชียงใหม่แล้วไปเป็นอาจารย์อยู่วิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานะสอนด้านบริหารธุรกิจก็ตัดสินใจลาบวชนะ1นะึ่พษา120วันก็บวชที่บ้านที่ลบบุรีแล้วก็มาอยู่จำบรรษากหลวงพระเทียนที่วัดโมกที่จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่เราได้มีโอกาสมาบวชเนี่ยเรามีเวลาที่จะปฏิบัติและก็อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนเนี่ยถ้าใครตั้งใจปฏิบัติเนี่ยท่านจะใส่ใจแล้วก็มามาสอบมาถามมาพูดมาคุยมาให้กำลังใจซึ่งเราก็มีกำลังใจดีมากในการที่เราจะปฏิบัติจากการที่เราได้ใช้ชีวิตนักบวชเนี่ย เรามีเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยวันหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเวลาที่ที่ไม่ได้ทําในรูปแบบก็คือตอนเราไป <c oughs> เราตื่นเช้ามาเราล้างหน้าล้างตาเราไปบินา บ, บาตเราฉันอาหารสงน้ำเท่านั้นเองนอกนั้นก็เข้านอนช่วงเวลาที่เหลือเราทุ่มให้กับเรื่องการเดินจงกรมสร้างจังหวะ ทั้งวันผลจากการที่เราทำอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยประมาณประมาณสี่สิบห้าวันประมาณกลางกลางกลางพรรษาเนี่ยก็ได้ได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวช ắt, ัดๆนะหลังจากที่วันหนึ่งเราไปเดินบินาบาทตอนเช้าแล้วก็ความรู้สึกตัวในการก้าวเท้า กับความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทันกันพอกลับมาถึงที่กุฏิเนี่ยเราก็ล้างเท้าพอน้ำรดที่เท้าเนี่ยความรู้สึกตัวมันตื่นมันตื่นขึ้นมาเราก็รู้อ๋อนี่ความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อชอบเรียกว่ารูปนามเรารู้มันตื่นขึ้นมาทั้งตัวแต่การตื่นในที่นี้ไม่ใช่ตื่นเต้นมันตื่นตัวแล้วมันก็เริ่มที่จะสัมผัสกับ ความเย็นในช่วงตอนเช้าสายลมเย็นเสียงแมลงสิ่งสัมผัสเล็กๆน้อยๆเราเริ่มสัมผัสได้มากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้ล่อ๋อเนี่ยความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อพูดคืออย่างนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นเป็นเป็นประสบาการณ์เฉพาะนะที่ที่เรารู้ว่าเออเราเข้าใจละจากตรงเข้าใจความรู้สึกตัว ต, วตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มกลับมาดูที่ สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะความรู้สึกสบายไม่สบายสุขทุกข์เย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งความเฉยเฉยจากกายเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ภายในตัวเรามามองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์หรือที่ครูบาอาจารย์ชอบใช้คําว่าอาการต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เริ่มเห็นชัดขึ้นจากความรู้สึกตัวทางกายที่เคลื่อนไหวนี่แหละ มันก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเราที่เราสามารถจะมองเห็นได้แล้วก็มองเห็นข้างนอกด้วยกายเราไปสัมผัสกับข้างนอกใจเราคิดยังไงความรู้สึกเราเป็นยังไงมันมันรู้ทันกันนะซึ่งช่วงนั้นก็มีความรู้ที่แตกฉานขึ้นมามากมายสิ่งที่หลวงพ่อเคยพูดเราเข้าใจขึ้นมานะซึ่งซึ่งแต่ก่อนเราไม่เข้าใจตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราเรารู้เรารู้หมดแล้ว เราเป็นผู้บรรลุแล้วเราเข้าใจหมดแล้วเรารู้หมดแล้วเรามีความพึกเขิมมากในการที่จะพูดในการที่จะสอนนะช่วงนั้นในช่วงขบันษาหลวงพ่อเทียนก็เห็นหน้าการของเราแล้วก็ให้เราเทศให้เราพูดนะเราก็พูดใหญ่เลยตอนนั้นนะรู้ไม่ว่าตอนนั้นนะั่นแหละเราหลงลืมสติไปเราไปอยู่ในความรู้นะที่เราวิาวษปษัสสนะูตรงนี้ มารู้สึกตัวเมื่อไหร่เมื่อมีคนพูดขัดใจขึ้นมาเนี่ยนะแล้วโอ้แสดงว่าเรายังไม่รู้จริงเรารู้เพียงแค่จดจำได้ส่วนหนึ่งแต่ความรู้สึกตัวรื้ส ต, สติมันตื่นขึ้นตรงนี้ก็เลยทำให้เรามายั่งคิดแล้วก็มีครูบาอาจารย์ก็เตือนบอกว่าอันนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นก็ขอให้เรากลับมารู้สึกตัวอย่าไปหลงอยู่ในความคิดอย่าไปหลงอยู่ในความรู้ อย่าไปหลงอยู่ในอารมณ์ต่างๆให้กลับมารู้สึกตัวตรงนี้ก็เลยทำให้เราได้กลับมาในช่วงนั้นถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการที่หลวงพ่อเทียนจะต้องไปไปเทศน์ที่นู่นที่นี่ถ้าเกี่ยวกับนักเรียนก็จะชวนอาตมาหรือกับผมไปด้วยไปคุยกับนักเรียนให้สร้างจังหวะให้เดินจงกรมซึ่งตอนนั้นก็ก็รู้สึกว่า เราได้ทําประโยชน์นะหลังจากเราบวชได้หนึ่งพรรษาประมาณร้อยี่สิบวันเนี่ยนะก่อนที่จะลาสิกขาไปก็คิดว่าความรู้สึกตัวที่เรามีเนี่ยมันเอาไปใช้ได้นะเราเรามีความมีความเพื่เขิมในใจนะว่าเราจะาไปใช้ในชีวิตในโลกหลวงพ่อเทียนนั่นไม่เคยบอกว่าเราจะต้องบวชตลอดไปนะท่านก็บอกว่าให้เอาไปใช้ในโลก ในโลกที่เราใช้นั่นแหละความรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนมีคำหนึ่งที่มักจะใช้อยู่เสมอก็คือพุทธบริษัทสองเรามีพุทธบริษัทสี่แต่หลวงพ่อเทียนมีพุทธบริษัทสองคือผู้ชายกับผู้หญิงไม่ได้พูดถึงนักบวชเพราะสิ่งที่เป็นความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่จำกัดว่าเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสนะเราสามารถจะใช้ได้ เพรนั้นท่านจะไม่เน้นว่าต้องบวชก็เลยออกไปใช้ชีวิตไปทำงานทำการอย่างเดิมในช่วงที่เราได้ไปใช้ชีวิตเนี่ยเราก็าความรู้สึกตัวในไปใช้แต่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการไปใช้ชีวิตในโลกเนี่ยมันก็มีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดที่เราจะต้องไปสนใจหรือมีเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบก็เผลอไปเผลอไป แล้วอีกอย่างหนึ่งเราประมาทประมาทตัวเราเองว่าเราคิดว่าเรารู้แล้วนะเราไกลครูบาอาจารย์อยู่เชียงใหมนะ่ก็ไกลครูบาอาจารย์บางทีก็เผลอไปบ้างอะไรไปบ้างก็รู้ตัวก็จะหาเวลาในการที่จะฝึกตัวเองให้เวลากับตัวเองในชีวิตประจำวันนะสร้างจังหวะบ้างเดินจงกรมบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่ไม่ลืมก็คือเทป หรหนังสือของครูบาอาจารย์เราก็มาฟังเราก็มาอ่านมีเวลาว่างแทนที่เราจะไปทําอย่างอื่นเราก็มาทําเรื่องพวกนี้นะก็คือพยายามสร้างสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยไม่ทิ้งเรื่องพวกนี้นะก็ก็ได้บ้างเผลอบ้างก็มีบ้างแล้วช่วงปิดเทอมแทนที่เราจะไปเที่ยวนะเราก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยก็มา หาหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในที่นนท บ, บุรีบางทีก็ไปวัดโมกนะก็ไปบางทีก็ไปคนเดียวบางทีก็ชวนเพื่อนนะตอนนั้นก็เริ่มที่จะทําชมรมพุทธศาสตร์ที่เอ่อที่เทคโนโนะก็เอานักศึกษามาด้วยบางทีก็ชวนกันมาก็พยายามที่จะไม่ทิ้งกิจกรรมเหล่านี้นะก็ก็ทําให้เราเนี่ยได้ได้ฝึกฝนต่อไปนะสติเนี่ยถ้าเรา ทำไม่ต่อเนื่องเนี่ยบางทีมันก็เผลอแล้วมันเผลอได้ง่ายด้วยนะโดยเฉพาะในในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งจูงใจดึงเราไปได้เยอะนะที่จะทําให้สติเราเนี่ยหลงลืมไปนะจากการที่เราพยายามทําตัวเราเองด้วยชักชวนคนเข้ามาร่วมด้วยสร้างกลุ่มหรือชุมชนของเราขึ้นมาด้วยมีการยาณมิตรไม่ทิ้งครูบาอาจารย์มากราบท่านมาฟังธรรมท่านมาอยู่กับท่าน มาปฏิบัติกับท่านมารับใช้ท่านนะก็ทำให้เราไม่หลงลืมพวกนี้นะในระยะสามสิบปีเนี่ยนะ ก, ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าบางทีก็รู้บ้างเผลอบ้างนะฮะสุดท้ายเนี่ย ก, ก็มาดูแล้วว่าชีวิตการวาเนี่ยถ้าเราจะเอาให้ถึงที่สุดเนี่ยมันคงจะยากนะเมื่อปีที่แล้วก็ประกอบกับ อายุเราก็มากขึ้นแล้ว ก, ก็มีโครงกา ร, กรเกษียณก่อนกำหนดก็เลยวางแผนว่าเออเราจ ะ, กะเกษียณก่อนกำหนดนะพอจะมีบำนาญ เ, เลี้ยงคนที่เรารับผิดชอบได้นะ ก, ก็เลยปรึกษากับท่านจันทรวิสินนะแล้วก็จะขอมาบวชนะเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องที่มันละเอียดเข้าไปถึงที่สุดให้ได้แล้วก็มีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้ นะอันนี้ก็เลยเลยมาบวชนะในช่วงสามสี่เดือนนี้ก็ได้เมื่อเรามาใช้ชีวิตนักบวชเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราได้ใช้เวลากับเรื่องพวกนี้อย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ได้สัมผัสกับความคิดหรืออารมณ์ที่มันละเอียดละเอียดนะฮโดยเฉพาะการยกย่องตัวเองการ อ, อ, อวดตัวเองเนี่ยมีค่อนข้างเยอะ นนี้อันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นนะพนั้นช่วงนี้เนี่ยก็เลยเป็นช่วงที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เต็มที่อันนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มานะก็ยอมรับอยู่ว่ายังไม่ถึงที่สุดนะแต่ก็เห็นเห็นเป้าหมายแล้วนะที่สุดมันก็คือความเป็นปกติของใจจริงๆความเป็นปกติของใจเนี่ยมีอยู่แล้วในทุกคน และจริงๆเราก็สัมผัสกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกเมื่อเชื่อวันแต่เพราะความที่เราสติเราไม่เต็มรอบหรือบางทีเรารู้บ้างเผลอบ้างนะมันก็มีอารมณ์เข้ามาปิดบงังทําให้เราเราไม่สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นว่าเปแล้วความเป็นปกติของใจเนี่ยเป็นพื้นฐานของชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ได้ที่เราไม่บ้า ที่เราไม่เป็นโรคประสาทก็เพราะไอ้ตัวนี้นะเพราะความเป็นปกติของใจเพราะฉะนั้นความเป็นปกติของใจเนี่ยที่มันจะนำไปได้ก็คือความรู้สึกตัวนี้เองนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเป็นปกติของใจจริงๆความเป็นปกติมีอยู่แล้วทีนี้วิธีการที่เราฝึกเนี่ยตัวกระผมเรียกทาไมาเองนะได้ข้อสรุปอันนึงว่าเป็นวิธีการที่กระทัดรัด แล้วก็ทำอย่างเดียวแต่เกิดผลหลายอย่างแต่ก่อนเนี้ยไปเรียนรู้ <c oughs> เรียนรู้ <c oughs> ธรรมะโดยการอ่านหนังสือเนี่ยจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะมีสติมีวิริยะมีอะไรโอ้โหเยอะแยะเลยนะโพธิ ป, ปักจธรรมส7มสิบเจ็ดซึ่งอ่านแล้วหูมันเยอะแยะมากนะบางทีเราก็ทอ้อนะกับหนังสือกับตัวหนังสือ แต่พอเรามาปฏิบัติจริงๆเนี่ยทำอมนนี้อันเดียวเนี่ยมันก็นำไปสู่ธรรมะข้อต่างๆนะก็จึงบอกว่าสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นแม่หรือเป็นพ่อของธรรมะทุกอย่างแล้วอีกอย่างหนึง่งหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านได้เรียนรู้วิธีการฝึกจิตหลายวิธีมายุบหนอพองหนอพุโทโธสัมมาหลังเพราะฉะนั้นท่านลองมาแล้วหลายวิธี และท่านก็มาสรุปเอาวิธีนี้ซึ่งก็เป็นวิธีที่กระทัดรัดและก็เหมาะกับคนยุคปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมเราจะมีเวลาในการที่เราจะมานั่งภาวนาหลับตานิ่งๆได้มากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมอุตสาหกรรมการจะมานั่งนิ่งๆอย่างนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากเราต้องเคลื่อนไหวเราต้องทํานู่นทํานี่ หมวระเทียนได้เอาวิธีการนี้เนี่ยมานำเสนอใ น, ในยุค ป, ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือ ว, ว่าเหมาะกับสมัยมากโดยเฉพาะสังคมอุตสาหกรรมที่ต้องลืมตาต้องทำงานเราเอาสติเข้าไปอยู่กับการเคลื่อนไหวกับชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเมื่อตอนเย็นที่มีกลุ่มคุณหมอจากภูเก็ตถามว่าเอสเลิกไปแล้วจะทำยังไงเนี่ยก็อยากจะแนะนาว่าอย่าทิ้งการทาแบบ รูปแบบวันหนึ่งเนี่ยควรจะมีเวลาให้กับเรื่องพวกนี้นะสร้างสร้างเป็นเป็นนิสัยเลยจะเป็นตื่นนอนหรือว่าก่อนเข้านอนเราสร้างจังหวะเดินจงกรมในห้องนอนของเราห้องส่วนตัวไม่ต้องไปให้ใครเห็นนะตรงนี้ตัวกระผมเรื่องทำไมเองก็จะใช้วิธีแบบนี้บางทีตอนเย็นเนี่ยเราทำงานเหนื่อยมันไม่ไหวก็นอนเป แต่ตื่นเช้าเนี่ยเราตื่นในเช้าจากักจากเดินสักครึ่งชั่วโมงให้กับเรื่องพวกเนี้ยทําเป็นประจํานอกจากทําในรูปแบบแล้วเนี่ยนอกรูปแบบก็พยายามใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปเวลาเดินเวลาเราขับรถเวลาเรากินข้าวใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปหรือแม้แต่เวลาเขียนเวลาพูดเวลาคุยความรู้สึกตัวที่เราฝึกกันเจดวันเนี่ยถ้าเราทําต่อเนื่องต่อไปเนี่ย มันจะไม่หายไปไหนเหมือนเราเอาตังค์ใส่กระปกความสินเนี่ยทุกวันไม่ไม่ไม่ต้องรอว่าปีหน้าค่อยมาอีกเจ็ดวันอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะชาไปแล้วสตังที่เราสติที่เราหาได้เจ็ดวันเนี่ยถ้าเราไม่ทําต่อเนี่ยกลับไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายหมดละมันก็จะมีนึกขึ้นมาได้ก็ทําอะไรอย่างงี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ขาดช่วงไปสติเนี่ยต้องต้องต่อเนื่อง เพราะนั้นทำในรูปแบบในทุกๆวันกิจกรรมสร้างให้เป็นนิสัยกิจกรรมอื่นเราทำได้ทำไมเรื่องนี้เรายังทำไม่ได้นะใช่ไม้มเราให้เวลากับมันเลยจัดสรรเวลาให้มันเลยแล้วก็มีเวลาพูดคุยกับเพื่อนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้อันนี้เหมือนกับเป็นการสร้างชุมชนแห่งคนรู้สึกตัวนะก็คือเหมือนเหมือนเป็นสงอ์อะ นะคําว่าสงฆ์นี่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนัก บ, บวช้วนะก็คือกลุ่มพวกเราอะ่ะกลุ่มเพื่อนแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกันอะไรกันหรือถ้ามีปัญหาก็โทรศัพท์มาคุยกับท่านอาจารย์บ้างอะไรอย่างเนี้ยตรงนี้เนี่ยก็จะทําทให้เราไม่หลงลืมไม่ทิ้งและก็คือทําด้วยตัวเราเองด้วยทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมก็คือกาลยาณมิตรเพื่อนกันคนที่มีความสนใจร่วมกัน อ่านหนังสือบ้างฟังเทปบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนะี่ยมันจะทําให้เราไม่หลงไม่ลืมดีกว่าเรามาฝึกเจ็ดวันกลับไปก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวรออีกเจ็ดวันปีหน้าค่อยมาก็มันก็ไม่ต่อเนื่องแต่ซิ่งตัวกระผมเรียกทาไมเก็เคย <c oughs> เคยเป็นแบบนั้นก็คืออามาอยู่กับหลวงพ่อห้าวันสิบวันกลับไปเราก็ไม่ได้ทําอะไรต่อบางทีมันก็ลืมบางทีก็เผลออ่ะมาเริ่มต้นใหม่อีกนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรา ฝึกให้เป็นนิสัยเป็นประจำ <c oughs> ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะช่วยได้แต่ยอมรับนะนะว่าบางชีทำเป็นก็เบื่อทำคนเดียวมันเบื่อเพรา ะ, ะนั้นต้องหาเพื่อนทำ <laughs> ชวนกันทำนะก็ตรงนี้ก็อยากจะอยากจะแบ่งปันหรือว่าอยากจะนาเสนอนะแต่จะทาได้ไม่ได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราและเออก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะถ้า ถ้าเราไม่ทุกข์จริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีแรงดันอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆกลับไปใช้ชีวิตในโลกบางทีมันก็เผลินก็เพลินไปบ้างนะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราเราเห็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เราอยากที่จะไม่มีทุกข์เนี่ยออย่างเหมือนกันนะนีม้มีกว่ามยากเงีนนะ้ยก็ต้องแย่ๆหน่อยให้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึงในชีวิตประจําวันของเรา ตรงนี้ก็จะทําให้เราต่อเนื่องเราจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้เรามีความรู้สึกตัวไม่แน่คาทักทายในอนาคตที่เราเจอกันจะนีิว่าสบายดีไหมวันนี้เธอรู้สึกตัวหรื อ, อยังอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะทักทายกันใหม่ใช่ไหมวันนี้เธอรู้สึกตัวดีหรื อ, อยังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคําทักทายกันไดน้นี้ก็เป็นสิ่งที่ที่อยากจะฝากพวกเราไว้แล้วก็ ต้องขออนุโมทนานะในการที่พวกเราได้มาร่วมกันใช้ชีวิตแล้วก็ได้มาฝึกนะฝึกสติด้วนยะความรู้สึกตัวซึ่งถือว่าเป็นเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราจะเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตนะที่จะได้รู้จักทุกขและก็หาทางออกจากทุกได้ด้วยและเป็นสิ่งที่ พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ค้นพบเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วปีนี้ครบพอดีเลยแต่ปีเนี้วิสาขาบูชาปีนี้ครบกับ 2,600 ปีที่พุทธเจ้าได้ตัดสู้ท่านตัดสู้ก่อนที่ท่านจะประลีณพาน45ปีปีนี้2 5 5 5ครบ 2,600 เพราะฉะนั้นแม้ว่าระยะเวลาจะเลยมาถึง26พุทธศตรวตรรษแต่มันก็ยังมีอยู่โดยครูบาาจารย์ ท่านได้ฝึกฝนท่านได้ถ่ายทอดต่อมาเพราะฉะนั้นถือเป็นบุญของพวกเราอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาฝึกเรื่องพวกนี้สําหรับบางคนที่อาจจะยังทําไม่ได้หรืออาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วเป็นร่องรอยนะที่จะประทับไว้ในใ น, ในใจของเรานะแต่ก็อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ ที่สำคัญนะสําคัญที่สุดที่โรงเรียนไม่ได้สอนมาวิทยาลัย ไ, ไม่ได้สอนตัวผมเรียกทํามะเองเรียนมาไม่ได้ไม่มีเรื่องพวกนี้มีแต่เรื่องศิลธรรมคุณธรรมมีสมาธิก็หลับตาวิธีนี้ไม่มีสอนนะเพราะฉะนั้นที่เรามากันที่วัดป่าสกุลโตแห่งนี้นะก็ขอให้เราได้เก็บเกี่ยวนะ ได้ฝึกฝนทำอย่างเดียวแต่จะเกิดผลหลายอย่างมาลองพิสูจนะ์ดูนี่เป็นสิ่งที่อยากจะท้าให้พวกเรามาพิสูจน์นะครับก็คิดว่าสิ่งที่ได้พูดไปน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะถ้าขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ขอให้คูบาอาจารย์ได้ชี้แนะนะในสิ่งที่กระผมเรือตมาได้พูดไป ก็อาจจะมีสิ่งที่ขาดตกบกร่องไปบ้างนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอห้างอิงเอาคุณของพระสีศศรันตน์ไตแล้วก็การฝึกฝนในเรื่องของสติความรู้สึกตัวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็นพระวะปัจจัยให้ทุกท่านหนุนนำให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึง ความเป็นปกติของจิตนะซึ่งมีอยู่แล้วในทุกๆคนโดยทั่วกันเทินอาจารย์สมใจเป็นอาจารย์อาธรรมเอย่างเงี้อาจารย์สมใจนะเพราะว่าแต่นคนนี่มงลพร้อมเขียนไปแล้วก็อาธมาได้รู้วิธีการรวมพร้อมเขียนจากอาจารย์สมใจในวันไปค้างนั่นแหละเคยทํำชมรมร่วมกันสมัยเป็นนักึกษายอยู่แล้วก็ ถึงวันนี้แหละก็ได้กลับมาเกือบสามสิบปีที่เรารู้เรียนรู้เรื่องนี้กันก็ลู้พอสมควรไปเรียนรู้วิธีการนั้นวิธีการนี้วิธีการนั้ น, น, นไม่เคยไปทะเละาะอะไรแปกแยกไม่มีไม่ต้องอกก็สอนอย่างนี้เหรออ๋อที่นี่ก็สอนอย่างนี้แ้อ๋เ ข, ข้าใจเข้าใจก็เป็นด้านหนึ่งกันเดียวกันแต่วิธีการนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่เราโอ้มันเป็นไปได้จริงๆว่ามันสัมผัส ครั้งแรกที่มันไปวันแรกนี่ยมามานั่งกระดิกนิ้วอ่นนะฟังหลวงพ่อทันเทศเฮ้มันแปลกจิตมันกลับมาเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมานะมัไม่ใช่ว่ามาอวดดีแต่ว่าหลวงพู่เทียนเชื่อว่ามีดีมาอวดมีดีมาบอกคือพูดมันตรงตรไปเลยเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็รับผิดชอบคําพูดเงี้ยนะถ้ามันมันอ้อมแอมไม่ได้มันตรงตรงไปตรงมา ทีนี้ผู้ฟังก็การกรองเอาเพราะไม่ใช่ยกหลวงปู่เทียไม่ใช่ยุคของพรงเจ้ามันก็มีวิธีการต่างๆที่คุณน้ํามันใช้ประโยชน์มากก็คุนแหะต้นน้ำํำใสๆเลยน้อยก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยคนสะอาดเยอะทีนี้พวกเราโชคดีที่เวลาเดี๋ยวนี้ยสังคมร้านค้าต่างๆห้างสรรพสิน้าต่างๆก็ดึงเอา การเทศการทำเนี่ยไปอยู่ในห้างส่งสินค้าแล้วอย่างเช่นว่าปีนี้เป็นปีสองพันหกร้อยนะผู้ศาสตรหนาที่มันเวียนมาครบมันจบกันนะพอดีห้างส่งสินค้าดมอนอย่างนะอย่างเช่นโค ร, ราชเนี่ยก็มีการเอาพระไปนั่งเทศอยู่ในห้างมีห้องประชุมใหญ่นะแล้วเสร็จแล้วพอเราฟังเทศเสร็จเราก็ไปเดินชมกลมซื้อของนะดีดีเดิน <laughs> รู้สึกตัวรู้สึกตัวเตอร์ เข้าใจเล่นนะเฟลนเวลาการเนี้ยแล้วเราไม่ง่วงนะล่ะเดินจมกลมในห้างนะยอมนะน่าสนใจเดียวไม่ต้องกลัวไม่ขาดไม่แคลนยุคสมัยมันจะนำกระดาษไหนก็มีแฝงอยู่ในทุกๆุกที่เพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางชีวิตเราก็เดียวกันไม่จะเป็นใครอยากจนหรือว่า ฐานะสกุลลุนชาตภูมิรู้ความรู้ความสามารถผู้หญิงผู้ชายบวชไม่บวชก็ไม่เกี่ยวนะต่อไปมามีความเชื่อว่านะวิธีเจริญสตนะิอาจจะไปเช่าบูธห้องหนึ่งในห้างสืนค้าวนะธรรมกายก็อยู่บูธอีกห้องหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรเงี้ยนะเราไปห้างก็เอ อ, <laughs> เ อ, อ เพราศาสนธรรมตอนนี้มันอยู่ที่ห้างสินค้าเราสังเกตดีๆชาวทิตศเนี่ยทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่ห้างสินค้าะก็ากากากาพาลูกไปมีความสุขยิ้มเข้าไปเลยจับใจใช้สวยปู่ย่าตาทวต่างๆตระกูลใหญ่เลยเข้าห้างคลิปก็เข้ากันนวันที่กําหนดอิสลามก็เข้าห้องละหมาดกันชาวพุทธกันก็ไปรวมกันที่ห้างดมอนอย่างเงี้ยนะรวมตัวจอดรถมีที่จอดรถ ฟังเทศฟังธรรมเดินยังกลมจับใจใช้สวยกับบานยิ้มแป่เลยแต่วันนั้นก็ไม่ขาดไม่แกนพวกเราที่สนคัญี้สุดก็คือไม่ต้องเข้าวัดเข้าวิคนะเข้าห้างสินค้าตอนนี้ก็รู้สึกตัวได้แล้วการเกินการไหวแต่ลนะขณนะเนอะไม่ต้องรอเรียกว่าช่วยโอกาสทุกๆขนณะเลยนะก็ดีได้ยินได้ฟังใจสนใจก็ ถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มของพวกเราการพวกนี้จะกลับบ้านแล้วนะจำใจท่านก็บวชเคยบวชกับหลวงพ่อเทียนตัวจริงอยู่กหลวงู่เทียนนะี่ยทีนี้ท่านก็เคยมีประสบการณ์ม า, มากการทํากลุ่มหรือ ว, ว่ากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการพาเยาวชนกลุ่มก้อนของสังคมปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวานเะนี่ยทำกันมามากแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าทํายังไงถึงว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นะ เรียก ว, ว่าเข้าสู่สภาวะสูงสุดขออุจจาระหรือว่าที่หลวงพุเทเตียนได้กล่าวอ้างไว้นี่ว่าเคกินไหวทั้งหมดทั้งสิ้นนต่รู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ต่อเนื่องเนทั้งใน ร, รูปแบบนอกรูปแบบท้ายสุดก็คือมันหยุดการสแสวงหาตั้งวิธีปฏิบัติครูบาจารย์ต่อไปตัวนั้นเรียกว่าความสงบอย่างแท้จริงเอาละอย่างนี้เอาละสมควรแก่เวลาเรากลับมาพร้อมกัน